วันนี้ตรงกับวันที่26มิทุนายน2533ก็ขอคุยกับบรรดาญาติโยมมุตบริษัตย์เพื่อนวิสุสมันเลนนำความหลังมาคุยกันหลังจะกลับมาจากที่ทั้งทนลงแล้วก็อยู่วัดไปนอนนักให้ถามนืวิธีปฏิบัติ พระขบัรดาษท่านพุทธบุตรสักโชสับการปฏิบัตินีปฏิบัติกันแบบส บ, สบายสบายแต่ว่าสิ่งที่มีความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งพระพุทธรูปพระพุทธรูปหรือว่ารูปของพระเจ้าอย่าให้ห่างจากใจเราจะคุยกับใครก็ตามจะทำอะไรก็ตามเว้นไว้แต่ว่าเอาใจไปเรียนหนังสือไปดูหนังสือฟังสดมน ถึงแม้ว่าฟังสดมันก็ย่าอาใจห่างจากพระพุทธรูปหรือ ว, ก ว, ก ว, กรว่รวารูปพระพุทธเจ้าก็ลงความไว้จับรูปพระแปสรนสตินี่เป็นอันดับแรกถ้าต่อมาการจเจริญวิปัสนาญาณการจเจริญวิปัสนาญาณ น, นี่ไม่ได้ทําจริงจัง <c oughs> คําว่าไม่ทําจริงจังหมายความว่าไม่ใช่ไปนั่งเครียด ใช้อารมณ์ธรมธรมดาธรรมดาตามที่ท่านสอนมา <c oughs> เรานั่งอยู่ที่ไหนก็เห็นทุกที่นั่นตามอริยสัจการนั่งก็เป็นทุกการนอนก็เป็นทุกการยืนก็เป็นทุกการเดินก็เป็นทุกค่อยค่อยเห็นทุกจะเห็นแรงนักถ้าก็เวลาเห็นคน <c oughs> ก็จงจะดูเฉพาะผิวภายนอกของคนหรืว่าดูผิวภายนอกก็จงจะดูเฉพาะที่สะอาดแต่เนื้อแท้จริงๆอารมณ์แ่างกายของคนเต็มไปด้วยความสกรปรกโสกโครกค่อยๆเห็นแต่บางทีมันก็ยังไปเห็นคนสวยเหมือนกันสาวๆบางทีก็เห็นสวย แต้ถ้าดูรื่น้อยก็จะเริ่มไม่สวยทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตมันชินนึกเห็นโน่นนึกเห็นนี่นึกนึกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความเป็นจริงก็เลยคิดว่าไม่สวยถ้าจะถามว่าอย่างนี้เลวเพาอปานชมว่าดีหรื อ, อยังก็ต้องตอบตามความเป็นจริง่าวงพ่าปานยังชมว่าอย่างใช้ไม่ได้ ถ้าต่อมาไม่เช้าไม่นอนเท่าไหร่นักท่านก็บอกว่าต่อที่นี้ไปเธอจงไปวัดน้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตของอำเภอบางบัวรักวัดน้อยนี่อยู่ในเขตอําเภอบางปัวรักใกล้ใกล้อําเภอท่าพีเลี้ยงอําเภอท่าพีเลียงก็คืออําเภอเมืองใกล้จะสุดเขตอำเภอบางปัวรัก หลวงพ่อเนียมอยู่ในฐานนะอาจารย์ของหลวงพ่อปานการใจสมัยนั้นจะไปได้จ้างจะไปเรเมเนันเปนหายาวเหลือเกิน <c oughs> ทางที่ดีจริงๆก็ต้องไปทุ ด, ดงการไปทุ ด, ดงก็ไปหนักเพราะทุ ด, ดงจนชิน <c oughs> ข้ามฝ้าจากวัดบางโคเดินตัดตรงมาตลาดแผน เดินตัดตรงไปอำเภอประตูะตน้ำทีป่ประตูน้ำเจ้าเจ็ดหลังนั้นจังก็ตัดรตรงไปอำเภอบางประมาศ <c oughs> ใช้เวลาพักเวลากลางวันประมาณสองวันก็ถึงวัดหลวงพ่เหนี่ยมเรื่องความเป็นมาของพ่อเหนี่ยมนี่เขาบันดาลท่นพระทวายสัตว์หันเอาตามหนังสือหลวงพ่อปก็แล้วกัน แต่ว่าจะพูดถึงวิธีสอนกันท่านสักนิดหนึ่งเพราะวันสลใยสมัยนั้นไม่ได้พูดถึงวิธีสอนมากมายนักวิธีสอนของท่านก็นคือว่าเมื่อวันที่สามผ่านไปแล้วพอวันที่สี่ก็ปรากฏว่าท่านให้ไปหาในโบทแต่นี้ในช่วงนั้นหลวงพ่อเนียมจริงๆอายุอยู น, นยี่ใกล้แปดสิบปี เร่อายุนี้ก็ไม่แน่นอนแม่ไม่ขอยืนยันท่านแก่มากท่านุมผ้าอาบพื้นเดียวเขาก็อาบอีกหนึ่งพื้นมาคล้องคอ <c oughs> ไปทางไหนก็มีไใ้เท้าคือไม้อันหนึ่งไม้เท้าก็ไม่ไปรูปไม้เท้าแต่ว่าคืนวันนั้นที่ไปหาหลวงพ่อเนียมท่านนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูป หอมผ้าเรียบร้อยโสดทงสวยสดงดงามผิวเหลืองอันลามสวยหน้าตาอิ่มเอิบท่านมีความหนุ่มคล้ายกับคนเลี้ยงไมายี่สิบแปดปีหรือสามสิบปีที่มีเนื้อเต็มพอเข้าไปแล้วก็สงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่ความจริงคนแก่กับคนหนุ่มนี่มันต่างกันมาก ในเมื่อท่านสงสยัยเท่าก็บกัดมาเรียกบอกก็เข้ามาเถอะเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมเรื่องคันห้าอย่าไปสนใจมันขันห้าคือร่างกายมีสภาพไม่แน่นอนดีไม่ดีปอเดี๋ยวก็แก่ประเดียเด๋ยวมันก็หนุ่มปอเดี๋ยวมันก็ดำปอะเดี๋ยวก็ขาวช่างมันอย่าไปสนใจกับวันหน้า พอจะเข้าไปกราบท่านนั้งกรชี้มือเพื่อกราบพระประธานก่อนเมื่อกราบพระประธานด้วยความเคารพขณะที่กราบพระประธานบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตตั้งใจกราบด้วยความเคารพเมื่อจิตตั้งใจกราบด้วยความเคารพอารมณ์ของจิตก็ทรงตัวตามปกติที่เคยปฏิบัติมา อารมณ์ใจมันเริ่มเป็นทิพย์ก็หันมาหาหลวงพอ่อเนียมก็ปรากฏว่าหลวงพอ่อเนียมเป็นพระซ้อนพระคพราว่าพระที่สวยจริงๆและไม่ใช่หลวงพอ่อเนียมเป็นพระที่นั่งคลุมหลวงพอ่อเนียมอีกทีหนึ่งแล้วก็กราบท่านนี่พระที่คลุมหลวงพอ่อเนียมจะเป็นใครก็ช่างเถอะ ขอทิ้งไว้เป็นปริศนาดีกว่าเพราะว่าทุกคนเวลานี้ก็จะเป็นกรรมฐานโดยเฉเพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านมโนยิทธิกันมากถ้าใช้กำลังใจนิดเดียวก็จะทราบเพราะกราบท่านสามบาระเงยขึ้นมาท่านก็บอกว่าการเจริญกรรมฐานของพวกเธอทั้งหมด ที่ทำมาแล้วไม่ผิดทุกทุกอย่างแต่ว่าบางอย่างก็มีกำลังอ่อนไปบางอย่างมีกำลังพอดีบางอย่างก็เครียดเกินไปนี่ขอให้ทุกอย่างจงทรงตั้งกาลังใจให้ทรงตัวพอดีพอดีอย่าใช้อารมณ์เครียด การเยริงกรรมาฐานจงจะถือเอาเวลานั่งสมาธิเป็นสำคัญถ้ายัางใช้เวลานั่งสมาธิเป็นสำคัญก็ยังถือว่ายัยางไกลต่อมกผลมากก็ขึ้นชื่อว่าความจริงมิปัจฉานญาณนี่ยเแปลว่าความจริงแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงถ้าบอกขึ้นชื่อว่าความจริง มันมีอยู่กับเราทุกขณะทุกขณะที่เรายังมีลมหายใจเขาออกเราต้องรู้จักความจริงอย่าถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมาหรืว่าอย่าคิดข้ามนาไปหาความจริงที่ยังไม่ถึงตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะงงเข้ามาไปหาไปถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมามาวัดมองดูความเป็นหนุ่มเป็นสาว ว่าสมัยก่อนเขามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวสราเป็นยังไงยางไงย่างั้นถ้าเวลานี้มันเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องใช้เวลานี้ถ้าบางคนเขายังแก่ไม่มากเขายังไม่ต้องไปคิดทังความแก่ข้างหน้าคิดแต่เพียงว่าในขั้นนี้เขาจะทรงตัวแบบไห น, นก็ตามเขาก็มีทุกข์ทุกข์เพราะความหิว เพาะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปวดอุจาระปัสสาวะการประกอบปิดการงานการป่วยไข้ไม่สบายความปรารถนาไม่สมหวังและความจาความตายจะเข้ามาถึงทุกอย่างมันทุกข์และต่อมาถ้าเรสอนวิธีรัก ท่านบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาโลกีพวกเธอทั้งหมดมีการขล่องตัวมากการคล่องตัวในการในชานโลกีอย่าท่านองตัวว่าเป็นคนดีโดยเฉพาะอย่างยิงย่งชาโลกีมีสภาพไม่แน่นอนประเดี๋ยวก็ขึ้นประเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวถอยหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลัง ถ้าเวลาร่างกายสุดตโตลงชาโลเกียงจเสื่อมหรือไม่ฉะนั้นบางทีอารมณ์เผลอนิวรณเข้ากวนใจเมื่อไรอารมณ์ก็เสื่อมมันนั้นคําว่านนิกรนิวรณก็หนึคืนหนึ่งความรักนในรูปสวยเสียงเขากินหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศข้อที่สองก็คืออารมณ์ไม่พอใจข้อที่สาความว่อง ข้อที่สอารมณ์ฟุ่งซ่านมากเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัตินิวรนทั้งห้าประการในอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเข้ามาขกใจชานก็เสื่อมจงอย่าสนใจในได้ของนิวรน์โ่ยเฉพาะอย่างยิ่งเธอองค์นี้ท่านหารมาทางอัตมา เธอปรารถนาพุทธภูมิจริแลเทอว่าคำว่าพุทธภูมินี่หมายถึงาการศึกษาวิชาเป็นครูการจะเอาแต่ชานโลกีอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ต้องใช้กำลังวิปัสสนา่าญเข้าช่วยให้หนักถ้าครูงโง่ก็ไม่มีใครเข้ามาเป็นลูกศิษย์ ท่านหมายความว่าการทรงชานโลกรีเนี่ยยังมีความโง่อยู่มากชาหน 1, 2, 3, 4, 5, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเธอสามารถจะทําเมื่อไร่ก็ได้แต่ว่าถ้าจะถามเธอว่าเวลานี้สัญญชณสามเธอละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้สัญญชณห้าละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้สัญญาณสิบละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้ แทนการสนชงชาลโลกีในเมื่อยังไม่สามารถทําลายสัญญาณทั้งสิบเหการได้จะถือว่าฉลาดไม่ได้จะถือว่าเป็นคนโง่นี่ขบรนดาผู้ฟังผู้อ่านรับทราบไปดยนะเนื่อต่อบาถ้านจะแนะนำใ น, น, นการศึกษาสัญญาณสิบเหตุการเพื่อการศึกษาสัญญาณสิบเหตุการ์ีนความจริงไม่ใช่ของหนัก เป็นของเบาเราต้องทําแบบเบาๆอย่างสมัยพระพุทธเจ้าท่านเทศให้คนฟังคนเขาฟังคนที่เขาฟังนั้นเขามีความฉลาดเขาฟังแล้วเขาก็คิดตามและเมื่อคิดตามจิตก็มีผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่ว่าคนสมัยนี้พระสมัยนี้หายาก ที่ฟังแล้วคิดตามเนื้อหายากมีแต่จำอย่างเดียวดีไม่ดีก็จำไม่ได้ด้วยที่ทีคิดตามก็มีง่ายๆเป็นของไม่ยากเมื่อท่านพูดั้งสังโยชน์ในการท้าก็ต้องจำว่าสังโยชน์คือกิเลสเป็นเพื่อน้อยรัดใจ พูดง่ายๆก็คือความชั่วที่เข้ามาดึงใจไม่ให้เข้าไปถึงความดีอันดับแรกมีสามอย่างคือส ก, กายคตาญก็คือหนึ่งส ก, กาญทิฏฐิสองวิจิกิจชาสามทิรฐาปะตปรามาสําหรับในตอนต้นเราจะตัดทางโยตสาม ก็จงอย่าละเมอเบอ้อฝันไปนำเอาอารมณ์พระอรหันต์มาใช้ที่ทำกันไม่ได้จริงๆเนี่ยเพอ้อไปแต่กวามจริงสารยศสารของวโสดาบัญกับสกิทาคามีเป็นของง่ายๆเมื่อคืนหนึ่งนึกถึงความตายถ้ากอรหันต์าถามว่าพวกเธอทั้งหลายเคยนึกถึงความตายไหม พุองค์ก็ตอบว่านึกทุกวันพระเจ้าค่ะนึกทุกวันแต่การพิจารเรื่องความตายนี้ต้องนึกถ้าไม่นึกถึงความตายชาดมันเสือ่อมอารมณ์จิตมันกำเริบต่อความตายเข้าขุมถ้ายอมรับความจริงว่ามันตายจริงท่านถามว่าประการที่สองเธอมีความสงสัยในพระไตรปิฎมไหม เพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตอบเธ้ว่าบไม่สงสัยในการในสามเธอมั่นใจในศีลไหมว่าเธอเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บุดทองก็กลับเรียนจะบอกว่าข้อนี้ไม่มั่นใจเพราะศีลละเอียดมากสิลของพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอภิสมาจารย์ อริสบาลาจารย์เนี่ยละมิดเรือยๆท่านบอกว่าอริสบาาจารย์เนี่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของจริยาเล็กน้อยก็ไม่น่าจะสนใจนักตั้งใจระวังกันไว้กันระวังสกงขาบทที่มีความสําคัญยิ่งกว่านั้นอย่างปราชิกสังฆาริเศษทิสกีปายิตีปายิทธีเป็นต้นนอกจากนั้นเป็นส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องของจริยาอาจจะมีการละเมิดบ้างไม่สําคัญ กเลยกลับเรียนทขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่หนักใจเขาบอกว่าไม่หนักใจแนละจงอย่าคิดว่าได้นะจงคิดว่ากันดับแรกก่อนที่เราจะหลับเราจะนอนก่อนที่จะทำอะไรมันลืมตาขึ้นมาก่อนก็ดูกําลังใจพอกาลังใจเวลานี้ของเราต้องการสงัดจะต้องการคิด การปฏิบัติทา ง, งจิตจะฝืนกำลังใจถ้ามันลืมตามีความรู้สึ ก, กมากำลังใจต้องการความคิดก็ให้มันคิดถ้ากรรมาฐานสอนไว้แล้วตั้งสี่สิบอย่างมีอารมณ์คิดยี่สิบเก้าอย่างมีอารมณ์ทรงตัวสิบเอ็ดอย่างชอบใจกองไหนทำกอง น, นั้น เวลาที่จะคิดกับวันกันไม่จําเป็นไม่ต้องคิดเฉพาะกองนั้นเฉพาะกอนี้จะเป็นกองใดกองหนึ่งก็ได้จะอสุภกรรมฐานก็ได้มารมานุสติกามฐานก็ได้กายละตาลุสติกามฐานก็ได้หรือะอะไรก็ได้ตามชอบใจคิดให้มันถูกว่าเวลานี้เราคิดนอกในกําลังของกิเลสการศึกษาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ก็ถูกแต่ก็แพ้ความดีง่ายต้องศึกษาให้รอบตัวในกรรมฐานสี่สิบใช้ได้คข่องทุกอย่างท่านถามทว่าท่านถามว่าในกรรมฐานสี่สิบเธอหนักใจกองไหนบ้างก็กราบเรียนท่านบอกว่ากรรมฐานสี่สิบไม่มีอะไรหนักใจเลย <c oughs> เวลานี้ตามความเข้าใจเขาตัวเองคิดว่าคล่องทุกอย่างท่านตบ ว, ว่าใช่เธอมีความคล่องจริงแต่อย่าลืมนะว่าเยาเธอยังไม่สามารถทำลายนิวรณนได้นิวรณ์นี่เป็นตัวชั่วร้ายมากเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังแกต้องพยายามทำลายนิวรณ์ให้ได้ด้วยสัญญ ข้าถามได้บอกว่าปราถนาพระธภูมิต้องตัดสังโยติดหรือันบอกว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นไม่จะปราถนาพระธภูมินะไม่ปราถนาพระธภูมิก็ตามต้องตัดสังญญาตให้ได้ถ้าตัดสัยชนตไม่ได้สามข้อไม่ได้เราก็มันเยืข่ของบ่ายภูมิเรายังมีโอกาสลงนรกเป็นเปรตเป็นแสวงกายเป็นสติชันมันจะดีหรือ ก็กราบเรียนท่านบอกวติไม่ดีดนเมื่อท่านเลยบอกว่าถ้ามันไม่ดีก็จงเลิกเสียเลิกคิดว่าพุทธภูมิไม่ควรการปฏิบัติในสังโยชน์ต้องมีความเข้าใจว่าพุทธภูมิต้องคล่องทุกอย่างตั้งแต่นาปาตัติ์ทั้งสัญญาติสิบต้องมีการขล่องตัวแล้วก็ ม, มีอารมณ์ทรงตัว ก็ยอมรับก็จะปฏิบัติตามนั้นต่อมาเธอก็บอกว่าเข้าถึงอนนาคามีตอนนี้ตอนเร่กํกำลังใจที่จะตัดสัญญอดจะเข้าถึงสังโยชสามได้ดี <c oughs> ท่านบอกให้พิจารณาตามนี้เข้าใจตามความเป็นจริงวันหนึ่งเราไม่ประมาทในความตายข้อ น, นี้พวกเธอทั้งสามองค์สบายมาก ข้อที่สองมีความเคารพในพระไตรสนาคมข้อนี้พวกเธอก็สบายมากเวลานี้เธอสามารถติดต่อกับพระแล้วได้ใจแล้วใช่ไหมก็กราบเรียนทวชัยถามอะไรพระท่านบอกตรงตามความเป็นจริงไหมก็ตอบตรงทุกอย่างท่านบอกว่ากำลังใจอย่าลืมนะอย่าใช้กำลังใจให้มันพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอสามารถตัดสังโยตได้ความละเอียดของจิตจะดีกว่านั้นการคบกับพระสมาคมกับพระเห็นพระอยจะชัดเจนกว่านั้นความมั่นยำความรู้จากพระบอกจะดีกว่านั้นยอะอีกประการหนึ่งการการตัดสังโยชตโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงนึกถึงความตายเคารุปตะสันนาคม ตั้งใจรักษาศีลเท่านี้ยังไม่พอจะต้องมีอารมณ์ต้องการพระนิพพานอีกที่เรียกว่าอุปสม า, สมานุสติกามฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็กราบเรียนถามท่านว่าเขาบอกว่ า, วานิพพานศูนย์ท่านบอกว่าอย่าคิดตามเขาเวลานี้เธอมีหน้าที่ฟังฉันพูด เธอยังไม่มีหน้าที่ถามถ้านิพพานศูนย์เจ้าความสุขจะนิพพานมาจากไหนตามพระบาลีมีว่านิพพานนางประมังสุขขังนิพพานมันสุขอย่างยิ่งคาว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสต้องมีการสัมผัสถ้าไม่สัมผัสจะไม่มีความเป็นสุขแลือเป็นทุกข์อย่างคนนอนหลับ เราจะเรียกว่าสุขก็ไม่ได้และจะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องเหมือนกับเขาที่พูดว่นนานิพพานศูนย์แตความจริงนิพพานที่พูดวันนี้ไม่ใช่นิพพานตัวนั้นเป็นนิพพานตัวแท้ที่มีความสุขในกรหม่อความนิพพานยังมีสภาพเป็นทิพย์ทิพย์ยิ่งกว่าลมความเันที่อันดับแรกก็คือเทวดาและนางฟ้าสวรรค์เทือทิพย์ ทิปที่สองก็คือพรมทิปที่สามก็คือนิพพานทิปสูงสุดเวลานั้นเราต้องใช้อปัสสัมมานตีกรรมฐานเขา้าควบคุมใจเพื่อต้องการนิพพานเมื่อจิตต้องการนิพพานจิตมันก็ค่มตัววันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนทรงฌานโลคีดนขอบทวนแต่การนีน้สอง ไม่เลืมความตายในการที่สามรักเทารบพระใจนาคมมในการที่ 4, สี่มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเข้าทั้งเก้าแรกคือกายเข้าสู่พระนิพพานเริ่มเข้าถึงกระแสพระนิพพานแต่ยังไม่ถึงนิพพานถ้าเรียกเหมือนชาวบ้านก็มั น, ก, นก็เรียกได้ว่าเข้าโรนนู้นิพพาน นี่ประการหนึ่งการสังเกตจิตจะสังเกตว่าจิตธันจะมีความเยือกเยน็นลงคาําด่าคํำนินทาจะรู้สึกเฉยๆจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจมากนักไอ้คําว่ากระทบกระเทืนจิตใจเขาต้องมีเป็นของธรรมดาแต่ว่ามันเบากว่ า, วาเดิมมันช้ากว่าเดิม <c oughs> ไม่ใช่มีอารมณ์โกรธไม่ไม่โกรธอารมณ์โกรธมีแต่มันมันโกรธว่าโกรธเบากว่าโกรธเล็กกว่าโกรธช้ากว่าอารมณ์รักจังมีในเมื่อยังมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงก็จิตก็ยังเร็วแต่เราจะเร็วในขอบเขตก็ว่าในในรั้ววุฒิพัณฑ์ดีกว่าเร็วภาย น, นอกแต่ว่าเรื่องชานล ก, กีจงอย่าทิ้ง ให้ใช้เป็นกําลังจะเป็นกําลังป้องกันความเสื่อมของจิตใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบพระพุทธเจ้าพบพระบัจจุุทธเจ้าพบพระพุอ ร, ะระหันตพบเทวดาหรือผอมที่ท่านมีความฉลาดที่ท่านเป็นพระอริยเจ้ามีเยอะถามท่านศึกษาหารือกับท่าน มีอะไรสงสัยท่านคนที่อยังเป็นได้ให้ถามตรงพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เขาเรียกอะไรเ้าเรียกพระโสดาบันนสิกธาคามีเะนาคามีเทา ร, รันหรือว่ายังไม่ได้อะไรเลยอย่างเธอนี่ต น, นันณหาตะมาอย่างเธอนี่เขายังถือว่ามันยังไม่ได้อะไรเลย แม้ทรงสมาบัตรแปดสมาบัตรแปดมัเป็นของเด็กเล่นเหลือหน่อยเดียวนี้วันก่อใจนิดเดียวสมาบัตรก็เจ๊งพังเป็นของเปราะง่ายแตกง่ายฉะนั้นจงอย่าหลงสมาบัตรแปดว่าเป็นของดีแต่ก็จงอย่าคิดว่าสมาบัตรแปดเป็นของเลว ถ้าคิดว่าสมาบัดแปคือเครื่องป้องกันอันตรายหรือกำลังนึกว่ากำลังเป็นกำลังที่จะเข้าห้ำหั่นสตรูแต่ก็ยังไม่มีอาวุธอาวุธก็อเอาคือปัญญาคือวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณก็จะพยายาว่าเพ่นผ่านไปให้จับสาโยอดเป็นสำคัญการจเจริญเพ่นพ่านเปล่าไปนั้นมันไร้ประโยชน์จริงๆ บางคนที่บอกว่าเจริญกรรมาฐานมาตั้งสิบปีไม่มีผล <c oughs> ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสัญญาณสามถ้าท่านกระหันไปหาหสององว่าสององนี่ดีเริ่มดีแล้วนะดีหน่อยหน่อยคือสามารถตัดสัญญาณสามได้แต่ว่าเรื่องของฮอริสจงยาใช้ในเมื่อไม่จำเป็น เธอสององค์นี่สนมากชอบเล่นนอนชอบเล่นนี่ชอบเล่นลิศเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งให้ใช้เฉพาะเวลาที่มีความจำเป็นเอาอย่างนี้แล้วกั น, กนสมมติว่าถ้าเราหิวข้าวเราขอข้าวเทวดากินได้อันนี้ต้องถือเป็นหลักใหญ่ถ้าวันไหนขอข้าวกินไม่ได้ถือว่าเราเลวเอรรัฐบรรดาเจ้าพุทธบริษัท อดมากไก็ไม่ได้บอกขันยานบอกกดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสขสวัสดีพัฒนะมงคลสมุนพลผ ล, ผลจงมีแดบบรรดาเถ้พุทธศาสนิกชนบูรพฟังทุกท่านสวัสดี